ศูนย์ในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานจะเล่าว่าวันหนึ่งก็มีชาว บ, บ้านคนหนึ่งเนี่ยพาลูกชายซึ่งอายุไม่มากนะกวขวส10ขวบมาหาหมอหมอดูอาการแล้วก็รู้ว่าเด็กเนี่ยป่วยหนักก็เลยแอดมิดนะแล้วก็บอกพ่อเนี่ยว่าเนี่ยให้ช่วยดูแล ลูกชายนะนอนค้างที่โรงพยาบาลนั่นแหละและตอนเช้าเวลาหมอมาแอดมิตหมอมาตรวจลูกชายเนี่ยก็ขอยอยู่ด้วยเพราะว่าหมอสักถามอาการของลูกชายก็จะได้ถามจากพ่อได้หรือว่าจะแนะนำให้ทำอะไรกับลูกชายนะก็ให้พ่อเนี่ย ช่วยด้วยนะเพราะว่าคนไข้ในโรงพยาบาลนี้เยอะนะพยาบาลก็ไม่ค่อยพอเด็กก็อยู่โรงพยาบาลอยู่หลายวันนะทุกเช้าเนี่ยเวลาหมอไปตรวจเด็กคนนี้เนี่ยก็จะเจอพ่อของเด็กนะแต่ผ่านไปสองสมวันหมอมา เรามาตรวจเด็กก็ไม่เจอพ่อวันแรกก็ยังไม่เท่าไหร่นะวันที่สองก็ไม่เจอพ่ออีกหมอก็ฉุนเลยนะเพราะว่าย้ำแล้วนะว่าให้อยู่กับลูกนะเวลาหมอมาตรวจพอวันต่อมาเนี่ยขณะที่หมอกาลังตรวจเด็กอยู่เนี่ยพ่อของเด็กก็ ก็รีบมาเลยหมอเห็นพ่อของเด็กก็ต่อว่าพ่อของเด็กว่าเนี่ยหายไปไหนมาทำไมไม่อยู่กับลูกบอกแล้วไงนะเวลาหมอมาตรวจเนี่ยให้อยู่ด้วยหมอจะได้ซักถามอาการของลูกเนี่ยจากพ่อได้จะแนะนำอะไรก็แนะนำพ่อได้ทำไมไม่รับผิดชอบทำไมไม่ใส่ใจนี่ รู้ไหมว่าลูกเนี่ยอาการหนักทำไมไม่รับผิดชอบลูกแบบนี้หมอนี่ก็ว่านะต่อว่าพ่อของเด็กพ่อของเด็กก็ขอโทษขอโพยเลยนะพนมมือไหว้เลยขอโทษ ด, ด้วยคุณหมอขอโทษจริงๆเออเนี่ยไอ้ข้าวที่ข้าวสารที่ผมเอามาเนี่ยจากหมู่บ้านเนี่ยมันหมด นะก็เลยต้องไปกินข้าววัดกว่าพระจะชันเสร็จมันก็สายแล้วพอเขากินข้าวเสร็จก็ต้องช่วยล้งางการล้างชามให้พระกว่าจะเสร็จนี่มันก็ก็สายเลยนะก็เลยมาไม่ทันหมอ แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมรีบเลยนะกินข้าวไม่ทันเลยก็รีบมาเลยต้องขอโทษหมอจริงๆหมอพอได้ฟังเหตุผลของพ่อของเด็กนี่หมอก็รู้สึกผิดเลยนะพอที่แรกเนี่ยไปว่าว่าเนี่ยพ่อของเด็กนี่ไม่รับผิดชอบไม่ใส่ใจลูก แต่ไม่ไมคิดเลยว่าในจริงๆแล้วเนี่ยพ่อนี่เขายากจนนะเขาไม่มีข้าวจะกินแล้วต้องไปกินข้าววัดก็เลยเป็นเหตุให้ไม่ได้อยู่เจอหมอสองวันติดๆกันพอได้ฟังเหตุผลของพ่อองเด็กนี่หมอก็รู้สึกเลยนะว่า เขหน้าอุ่ารนะไม่แต่ข้าวที่จะกินนี่ก็ยั ง, ยงขาดแคลนเลยไอเราก็ไปคิดว่าเขาไม่รับผิดชอบนั่เผลอด่าไปแล้วนะอันนี้นะก็ทำให้หมอนี่ได้ได้คิดเลยตาว่าเนี่ยจะด่วนสรุปนะ เห็นอะไรเกิดขึ้นแม้ไม่ถูกใจก็อย่าพึ่งพลีพรลมนะไปต่อว่าเพราะว่าสรุปเอาไว้เอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะว่าก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นอยๆนยย่าสอบถามซะก่อนว่าทำไมถึงหายไปไม่ใช่ว่าพอเห็นหน้าก็ใส่ต่อว่าเลยแต่ก็ธรรมดานะคนเราเนี่ยพอมันเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี่ย มันก็อดไม่ได้ที่จะมีความคิดเกิดขึ้นแล้วก็รีบสรุปเลยนะว่าเนี่ยคือความจริงที่เกิดขึ้นทั้งที่มันเป็นแค่ความคิดแต่ว่าก็ด่วนสรุปไปซ ะ, ะหรือก็ด่วนเชื่อพอด่วนเชื่อความคิดหรือด่วนเชื่อข้อสรุปมันก็ ตามมาด้วยการต่อว่าแต่ก็ยังดีนะที่มารู้ความจริงจากเจ้าตัวแล้วก็ทำให้สามารถจ ะ, อะขอโทษขอโพยแต่บางครั้งเนี่ยการด่วนสรุปของเราเนี่ยมันพอเกิดความเสียหายแล้วมันแก้ไขได้ยากนะ เดี๋อาจจะแก้ไขไม่ได้เลยยังมีผู้ชายคนหนึ่งนะแกเป็นคนที่สูบบุหรี่จัดมากเลยลูกนี่ก็ห้ามนะ่าอย่าสูบบุหรี่มากเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งห้ามยังไงพ่อก็ไม่เชื่อสุดท้ายพ่อก็เป็นมะเร็งจริงๆนะ มะเร็งปอดเราก็ต้องทำการรักษาใช้แสงฉีดเโมคนไข้นี่ก็อาการก็แย่ลงเรื่อยๆลูกชายก็เลยให้พ่อเนี่ยมาพักฟื้นนะที่คอนโดแห่งหนึ่ง อาการมันดีหน่อยเป็นคอนโดที่ตัวเองเนี่ยซื้อเอาไว้แต่ยังไม่มียังไม่ได้มาอยู่เลยก็ให้พ่อญาตมาอยู่คอนโดก็มีคนคอยช่วยดูแลพ่อตอนนั้นเนี่ยก็ยังพอจะเดินเหิอนอะไรได้บ้างไม่ถึงกับติดเตียงลูกชายก็มาเยี่ยมเป็นครั้งคราว วันหนึง่งลูกชายเดินไปที่ระเบียงเนี่ยเห็นก้นบุหรี่เห็นก้นบุหรี่ตรงพื้นระเบียงหลายก้นด้วยพอเห็นนี่โกโกรเลยนะตรงไปต่อว่าพ่อว่าพ่อทําไมสูบบุหรี่อีกแล้วไม่รู้หรือไงว่าเนี่ยที่ตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยพ่อสูบบุหรี่นะ แล้วพอเป็นมะเรงแลเป็นไงก็เป็นภาระของลูกๆสไมัยไม่รักตัวเองหรือถ้าไม่รักตัวเองก็อย่างน้อยก็นึกถึงคนอื่นบ้างว่าเขาเดือดร้อนที่ตัวองเป็นมาเร็งลุมต่อว่าพ่อใหญ่เลยพ่อก็บอกพ่อไม่ได้สูดลูกก็บอกไม่ได้สูดได้ไงนี่คนบริเวณมันเยอะแยะไปหมดเลย มันเห็นชัดอยู่แล้วนะว่าพ่อเนี่ยสูบบุหรี่สูบแล้วยังปฏิเสธพ่อก็ว่าลูกก็ว่าพ่ออย่าพ่อก็ปฏิเสธอยู่นั่นแหละแต่ลูกก็ไม่เชื่อแล้วนับแต่นั้นมาความสัมพันธ์ของพ่อกับลูกก็ไม่ค่อยดีแล้วตอนหลังพ่อก็เสียชีวิตนะเสียช่วยพ่อมาเร่งหลังจาก จัดการเรื่องงานสบเสร็จนะลูกชายก็มาเก็บข้าของของพ่อที่อยู่ในคอนโดแล้วก็มีช่วงนก็เดินไปที่ระเบียงบอกว่าเจอกอดบุรีหลายอันด้วยก็แปลกใจพ่อไปอยู่โรงพยาบาล ต้องนานแนะไ้กลนบุรีนี่มาจากไหนแล้วพ่อด็ดึนเสียงคนคุยกันอยู่ข้า ง, างบนแล้วก็ได้กลิ่นบุรีก็เลยรู้เลยว่าเนี่ยไอ้กล่นบุรีเนี่ยตนระเบียงในห้องพ่อเนี่ยมันไม่ใช่บุรีที่พ่อสูบแต่มันเป็นบุรีจากคนที่อยู่ชั้นสูงขึ้นไปเดี๋ยวเราสูบบุรีเนี่ยนะทิ้งกลนบุรีลงมาบางทีน่ลมมันก็พัด ไอ้คนบุรีเนี่ยตกมาที่ระเบียงของห้องที่พ่อนะพักฟื้นอยู่ลูกชายรลลูกความจริงเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อไม่ได้สูบบุรีระหว่างที่อยู่ที่คอนโดของลูกแต่ว่าตัวเองก็ด่าพ่อไปเรียบร้อยแล้วแล้วพ่อก็เสียชีวิตไปแล้ว ด้วเองผิดนาะที่ไปด่าพ่อทั้งที่พ่อก็ปฏิเสธแต่ก็ไม่เชื่อพ่อกว่าจะรู้ความจริงนะมันก็สายไปแล้วนะพราพ่อก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วแกวศึกผิดมากเลยนะเป็นความผิดที่ติดข้างใจเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะขอโทษพ่อได้อันนี้ก็เป็นบทเรียนนะว่า คนเราเนี่ยนะจะจะด่วนสรุปแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะชวนให้สรุปอย่างนั้นนะคือก้อนบุหรีม่มาอยู่นที่ระเบียงของห้องที่พ่อพักแล้วใครจะสูบนะทำไมใช่พ่อเนี่ยอันนี้ถ้าพิจรารณาโดยใช้เหตุผลใช้ตรร ก, กะเนี่จริงเรื่องนี้ผู้จ้าก็ เตือนเอาไว้แล้วนะ่าอย่าเชื่อเพียงเพราะรูปลักษณะมันน่าเชื่อถือเราเชื่ออย่าเชื่อเพียงเพราะตกกะหรือการอนุมาลแต่คนเราเนี่ยพอเจอภาพแบบนี้มันก็อดไม่ได้ที่จะสรุปเลยนะว่าเนี่ยพ่อสุบุรีแน่นอนเลยทั้งที่เป็นมะเร็งแล้วก็ยังไม่เจียมสังขารเนีไม่ห่วงตัวเอง พอด่วนสุกเข้าอย่างนี้เนี่ยมันก็อดไม่ได้ในะที่ต้องต่อว่าดา่าทอแล้วเกิดผลเสียตามมาคนเราเนี่ยเวลาเจอเหตุการณ์ทนองนี้เนี่ยมันก็อดไม่ได้นะที่จะมีความคิดผุดขึ้นมาแต่ถ้าเราอ่ามีความสุ ข, ขุมรอบครอบสักหน่อยนะมันก็จะไม่เชื่อไม่ด่วนเชื่อความคิดนะที่มันผุดขึ้นมา แต่ก็เป็นธรรมดาคนเราเนี่ยพอมีความคิดอะไรผุดขึ้นมาเป็นข้อสรุปของเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยมันก็เชื่อทันทีแล้วก็คิดว่าเนี่ยคือความจริงแต่ถ้าว่าเรามีความตระหนักว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยหรือความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกก็ได้ อาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้เราก็จะทาให้คนเราเนี่ยนะพยายามหาความจริงและวิธีการหาความจริงคือการสอบถามทั้งสองเรื่องเนี่ยนะมันจะไม่เกิดการผีผามต่อว่าถ้าเกิดว่ารู้จักสอบถามซะก่อนนะว่าความจริงเป็นยังไงทําไมพ่อไม่อยู่ดู ไม่อยู่กับลูกนะตอนที่หมอมาอถามซะ ก, ก่อนหรือไม่ก็ถามพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งว่าไอ้กล้วบุรีนี้มันมาจากไหนแต่คนเราไม่ถามเพราะเราเชื่อความคิดของเราอันนี้เรววา่ดด่วนสรุปและการด่วนสุปนี่บางครั้งมันก็เกิดความเสียหายความคิดนี่มันก็มีประโยชน์นะ แต่ว่าถ้าเราเชื่อมันมากไปเนี่ยหรือด่วนเชื่อมันก็พาเราเข้ารกเข้าพงได้หรือพาเราไปสู่การกระทาที่เกิดความเสียหายตามมาหลวงพ่ออมเขียนนเคยเล่า ว, ว่าเมื่อทัา30ปีก่อนเนี่ยมีชาวบ้านคนหนึ่งนะพาพระหนุ่มเนี่ยมาหาท่าน แล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้หลวงพ่ออบรมสั่งสอนพระรูปนี้หน่อยเพราะเพิ่งบวชมาเป็นน้องชายนะของโยมที่พามาสีนั่งพระหนุ่มเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหน้าตาเครียดอมทุกข์พอพระหนุ่มเนี่ยมาวัดมาอยู่วัดท่านก็พาเดินจงกรมเลย พาเดินจงกรมภาสร้างจังหวะแต่ว่าทาไม่ได้สัก 1, วันสองวันเท่านั้นะนะพระหนุ่มก็มาหาหลวงพ่อบอกว่าจะขอศึกบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มาบวชเพราะต้องการปฏิบัติธรรมไม่ได้มาบวชเพราะเพื่อจะมาเดินจงกรม แต่บวชเพราะว่ารับปากพี่ชายไว้แล้วตอนนี้ก็ได้ทำตามสัญญาแล้วก็จะขอศึกหลวงพ่อคำเขียนก็ไม่ให้ศึกนะบอกอไปเดินตรงกลมต่อเขาไปเดินได้สักสองสามชั่วโมงก็กลับมาอีกมาหาหลวงพ่อจะขอศึกให้ได้เลยหลวงพ่อไม่ยอมนะเพราะเพิ่งมาบวชได้แค่ไม่กี่วันเองไล่ให้ไป ปฏิบัติต่อตอนเย็นก็มาอีกนะรบเราจะขอสิทธิ์ให้ได้เป็นครั้งที่สามหลวงพ่อก็เลยถามว่าอะไรทำให้คุณมาหาผมพระนั่ง น, นิางสักพักแล้วก็บอกเนี่ยความคิดครับหลวงพ่อก็เลยพูดว่าเนี่ยมันคิดแล้วต้องทำตามความคิดทุกอย่างเหรอคนเราถ้าทำตามความคิดทุกอย่างนี่ไม่แย่หรือ ท่านก็ไม่สึกให้นะแล้วก็บอกให้กลับไปดูความคิดให้รู้จักทักท้วงความคิดบ้างพ่อรูปนั้นก็ไม่พอใจนะเดินออกไปด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจแล้วลึกขึ้นเนี่ยตอนช้าเนี่ยได้เวลาทําวัดหลวงพ่อก็เดินไปที่สาราก็เห็นพันธุหนุ่มนี่เดินมาแต่คนนี้ไม่ได้เดินมาเพื่อจะขอสึกนะเดินมากราบหลวงพ่อ แล้วก็บอกขอบคุณหลวงพ่อที่ไม่ศึกให้เมื่อวานบอกว่าในตอนที่เมื่อวานตอนที่เดินจงกรมเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะหาปืนจะหารถจากที่ไหนเพื่อที่จะฆ่าคนสองคนก็คงดา ว, ว่าเป็นเมียกับชายชู้นะโกรธมากนะคิดแต่จะหาทาง วางแผนเลยนะจะฆ่าสองคนนี้อย่างไรจ่อปืนมาจากไหนจ่อรถนะจากที่ไหนฆ่าเสร็จแล้วจะเอาปืนไปทิ้งไว้ที่ไหนจะหนีอย่างไรมันคิดแต่เรื่องนี้แหละเป็นเหตุให้อยากจะสึกแต่ว่าการที่หลวงพ่อเนี่ยไม่สึกให้เนี่ยแล้วให้กลับให้้หพระานี่กลับไปดูความคิด กลับไปทักท่วงความคิดเนี่ยทำให้เปลี่ยนใจนะก็เลยมาขอบคุณหลวงพ่อที่ทัดทานเอาไว้แล้วก็แนะนำให้อย่าไปหลงเชื่อความคิดไอ้ที่หลวงพ่อท่านพูดเนี่ยสำคัญมากนะคนเราเนี่ยถ้าทำตามความคิดทุกอย่างมันไม่แย่หรือความคิดเนี่ยคนเรามันก็มีทั้งดีนะแล้วก็ไม่ดี ถ้าเราเชื่อความคิดทุกอย่างเนี่ยมันก็อาจจะพาเราทำสิ่งที่เลวร้ายก็ได้ไม่ใช่แค่ต่อว่าด่าทอคนที่อยู่ใกล้แต่จะรวมไปถึงการไปทำร้ายคนที่ตัวเองรักก็ได้คนเราเนี่ยนะมันต้องรู้จักทักท้วงความคิด ไม่หลงเชื่อความคิดทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในใจแต่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยไอการที่มีสติเห็นความคิดนี่สำคัญนะพราะถ้าเราไม่มีสติไม่เห็นความคิดเนี่ยมันคิดปุ๊บนี่มันก็ไปยึดเลยนะว่าเป็นเราเป็นของเราเดือมนางความหลงพอคิดว่า พอไปยึดว่าความคิดเป็นเราเป็นของเรานะมันก eh like ็เชื่อความคิดนั้นเลยแล้วมันก็แปลนีพอไปยึดว่าความคิดเป็นเราเป็นของเรานะเราเป็นของมันเลยแล้วก็ตามนั่นที่เราไปยึดว่าเป็นของเรานะทันทีทันใดนัเราเป็นของมันเลยไม่ว่าจะเป็นเงินทองรถยนต์โทรศัพท์หรือความคิดที่เป็นนามธรรมเนี่ยทันทีที่ไปยึดว่าความคิดเป็นเราเป็นของเรานะเราเป็นของมันเลย ก็คือเราถูกมันสั่งให้ทำอะไรก็ตามเพื่อมันปกป้องมันทำร้ายคนที่มีความคิดต่างจากมันมันในที่นี้คือความคิดที่เกิดขึ้นในหัวของเราแล้วเราไปยึดว่าเป็นของเราแล้วทุกวันนี้คนเราเนี่ยนะตกเป็นทางความคิดมากเลยทั้งที่ความคิดนี่มันก็เกิดจากการปรุงแต่งของเรา แต่ ท, ทันทีที่เราปรุงความคิดขึ้นมานี่แล้วไปย่อความคิดเป็นเรานี่เราเป็นของมันเลยเราทําทุกอย่างเพื่อปกป้องมันพร้อมที่จะทะเลาะกับคนที่คิดต่างจากมันบางทีก็ถึงกับไปทําร้ายกําจัดคนที่คิดต่างจากมันเพื่อให้มันเนี่ยโดดเด่นหรือว่าสามารถจะแพร่กระจายไปได้ แต่ถ้าว่าเราเนี่ยรู้ทันความคิดน ะ, ะเราจะไม่เผลอไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราหรือพูดอีกย่างคือเราจะไม่ไปหลงเชื่อมันไม่หลงตกอยู่ในอำนาจการบงการของมันให้ลองดูนะเถอะว่าไปสรุปนะว่าไปเชื่อความคิดว่าเนี่ยพ่อของเด็กเนี่ยไม่รับผิดชอบ ทิ้งเด็กทั้งที่ป่วยหนักไปไหนไม่รู้เนี่ยพอคิดแบบนี้เชื่อแบบนี้มันก็อดไม่ได้ที่จะต้องต่อว่าต้องดา่าหรือถ้าลูกชายเนี่ยพอเชื่อแล้วนะว่าพอ่อในสุ บ, บรี่ทั้งที่เป็นมะเร็งปอดมันก็ต้องดา่าต้องว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างเด็กเลี่ยงได้ยากเพราะความคิดมันสั่งให้เราทํา นี่เป็นเพราะว่าไม่รู้ทันความคิดเพราะไม่รู้จักทักท้วงความคิดแต่ถ้าเราอย่างน้อยฉลาดสักหน่อ ย, ยก็จะรู้ว่าเนี่ยไอ้ความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเราเนี่ยอาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นก็ได้เช่นพ่อไม่อยู่ ดูแลลูกเนี่ยเป็นพ่อเขาอาจจะมีธุระเ็าอาจจะมีเหตุิสุดวิสัยอันนี้ประสบการณ์เนี่ยม า, า จ, จะทำให้เรารู้จักคิดเผื่อได้คิดเผื่อว่าเนี่ยเขาอาจจะมีเหตุผลอื่นที่ทำให้ไม่ได้อยู่กับลูกตอนที่หมอมาเยี่ยมหรือลูกเนี่ยเห็นที่บุรีที่ระเบียง ถ้าเป็นคนที่มีสติปัญญาหน่อยก็จะถูกคิดว่าอาจจะมีเหตุผลอื่นก็ได้ที่บุรีมันมาอยู่ตรงนี้อันนี้เรารู้จักคิดเผื่อคิดไปออกไปในหลายๆทางถ้ารู้จักคิดแบบ น, นี้นมันก็ช่วยทำให้ไม่หลงนะไปยึดความคิดติดความคิดใดความคิดหนึ่งแต่ว่าคนเราไม่ชอบ ในการที่มีความคิดหลายทางแบบนั้นเพราะว่ามันทำให้ไม่สามารถจะฟันธงได้คนเราเนี่ยชอบฟันธงเพราะมันแน่นอนดีอะไรที่ไม่แน่นอนเนี่ยคนเราไม่ค่อยชอบคนเราชอบอะไรที่มันแน่นอนเพราะฉะนั้นฟันธงสรุปเป็นเลยนะและนี่แหละก็คือสาเหตุที่ทำให้คนเราเนี่ ย, ยทำผิดทำพลาดได้ แม่พพุทธเจ้าเนี่ยไม่เตือนอหรอกนะว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะการอนุมานอย่าเชื่อเพียงเพราะรูปลักษณะมันน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าบทเรียนนะจากผู้คนมากมายเนี่ยมันมันบอกว่าเนี่ยการสรุปของคนหรือถ้าด่วนสรุปเนี่ยก็อาจจะผิดได้ถ้าหน้าที่ดูมีเหตุผลแต่ถึงแม้ว่าเราจะ ไม่มีความสามารถในการคิดเผื่อได้แต่อย่างน้อยถ้ามีสตะินะมันรู้ทันความคิดมันไม่หลงเชื่อมันก็ไม่หลงเชื่อความคิดมันก็ดูมันแล้วก็สุดท้ายความจริงที่ปรากฏก็อาจจะตรงข้ามกับความคิดที่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องนะเราต้องรู้จักทักท้วงความคิดยังอย่าไปหลงเชื่อมัน และสิ่งที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยเป็นนายเป็นอิสระจากความคิดได้เนี่ยไม่ตัวเป็นท่าทำไมก็คือการที่เราเห็นมันนะไม่เข้าไปเป็นมันถ้าเราทำางนี้ได้เนี่ยเราก็จะเป็นนายมันเราก็จะใช้ความคิดแต่ถ้าไม่ใช่นั้นเนี่ยความคิดมันก็ใช้เราความคิดเนี่ยเป็นบบาที่ดีแต่เป็นนายที่เร็วถ้าเราใช้มันนี่มีประโยชน์นะแต่ถ้ามันใช้เรานี่เราแย่เลยนะพาเราเข้ารเข้าพง ไปได้ง่า ย, ายอนอนีี้้นะูก